สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับปรุณเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในการเปิดสถานีตั้งแต่เวลาเช้าๆอย่างนี้เป็นรายการแรกของทางสถานีโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์พภิปุณโนจากวัดป่าดอนหลายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี เรื่องราวที่เรามาพูดคุยให้ท่านบุฟังได้รับฟังได้ทราบได้พอที่จะรู้ข้อมูลบางอย่างได้แล้วทําให้เกิดการปฏิบัติทําให้เกิดความดีความงามในชีวิตได้เรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นโทษภัยในวัฏฏสงสาร เพราะว่าการที่เราบนเวียนเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างไปสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตัวนี้มันเป็นความทุกข์เป็นความเป็นร้อนเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเห็นโดยความเป็นโทษแต่เห็นโดยความเป็นโทษแล้วรู้แล้วว่าอันนี้เป็นโทษเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปเกลือกลัวต้องไปหาความทุกข์นั้นมาใส่ตัวเราความเข้าใจในการที่จะหลีกออกนาออกซึ่งความทุกข์นี่แหละ จะเป็นข้อมูลที่เรานามาบอกเล่านามาให้ท่านบูฟังฟังใ ต, ตัวข้าพเจ้าเองนั้นนำคําสอนของท่านที่เป็นศาสดามาบอกเล่าให้กับท่านบูฟังฟังตัวเราเองก็ทําไปด้วยปฏิบัติไปด้วยแต่บูฟังฟังลราก็ทำไปด้วยปฏิบัติไปด้วยโดยการฟังการทำการปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เราทางานอย่างอื่นอยู่เน่างเพราะว่า ธรรมะนั้นเป็นไปด้วยได้กับการงานอย่างอื่นสามารถที่จะเป็นไปในจิตของคนที่เป็นนักเรียนก็ได้เป็นไปในจิตของผู้ปกครองก็ได้เป็นไปในจิตของคุณครูเป็นไปในจิตของเจ้านายลูกน้องหรือแม้แต่คนที่ไม่ได้ทางานหรือแม้คนที่มีงานมากคนที่มีการรับผิดชอบสูงแต่มีความสามารถไม่มีความสามารถอย่างไรก็ตามแต่ถ้าบว่ามีจิตแล้ว แต่มะมันกว้างขวางเป็นไปได้อันนี้มันจะตรงกันข้ามกับอย่างเขตแดนของประเทศอย่างเงี้ยเขตแดนของประเทศไทยเนี่ยเรามีเพื่อนบ้านคือประเทศพมา่าประเทศลาวประเทศกัมพูชาอย่างนี้เปน็นต้นคือถ้าเขตแดนของใครก็คือเขตแดนของประเทศนั้นจะไม่สามารถล่วงล้ำอธิปไตยกันได้แล้วก็รักษาเขตแดนกันไปในขณะที่ธรรมะนั้น สามารถที่จะเป็นไปได้ในทุกประเทศนะไปได้หมดเพราะว่าถ้าบุคคลมีจิตมีใจมีผัสสะมีเวทนามีตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนั้นเนี่ยต้องการธรรมะในการที่จะปกครองถึงแม้ว่าในคำสอนของศาสนาอื่นๆแต่เช่นในสมัยก่อนคำสอนของพุท ธ, ธะเมื่อเกิดมีขึ้นเนี่ยก็มีคำสอนของออพวกปามมีคาสอนของ ครูอาจารย์ในสมัยนั้นอยู่แล้วแต่ตั้งหลายสำนักพอมีคําสอนของพุทธาเกิดขึ้นาปามพวกปามเขาก็รับคําสอนนี้ไปไปปฏิบัติกันในหมู่ปามก็ได้ครูอาจารย์ที่มีอยู่ในสมัยนั้นแต่ที่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าดีเราก็รับเอาไปปฏิบัติแต่เป็นผู้ที่เผยแพรแ่คําสอนนั้นต่อไปบางรูปบางองค์ก็เอามาปวดด้วยแต่มันก็เหลืออยู่ที่ไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่นะในสมัยนั้น พวกลัทธิครูทั้ง6อันนี้ก็เป็นลัทธิของวิชาทิติไปส่วนที่มีความเข้าใจดีแต่เขาก็นําธรรมะไปใช้ในหมู่พวกของเขามีความเข้าใจมีความที่สามารถจะทําความแจ่มแจ้งนําข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปบอกเล่าบอกต่อได้ที่พราพุทเจ้าพูดตรงนี้ขึ้นมาทูงฝั่งประวา่าเพราะต้องการสื่อสารว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นเราสามารถทําได้แม้ในขณะที่เราทําการงานอยู่ เราสามารถทําได้แมนะ้ okay. ในขณะที่เราเรียนหนังสืออยู่เราสามารถทําได้ในขณะที่แม้เราทํากับข้าวอยู่เราสามารถทําได้ในขณะที่เราแม้กําลังขับรถอยู่กําลังคิดงานอยู่กําลังอ่านหนังสืออยู่แต่ก็เลยกำลังใกล้ควรเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยกันกับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ก็คือถ้าเราจะรอเฉพาะเวลาที่เราว่างแล้วถึงก็มาปฏิบัติธรรมค่อยมาอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าค่อยมา ผลขวายในการที่จะรู้เรื่องธรรมะลึกซึ้งที่รพระเจ้าบอกสอนคือตะรอตรงนั้นเนี่ยก็รอจนกเกษียณซะก่อนละ่ะบางคนกเกษียณแล้วก็ยังหางานไปทาอีกว่างก็ไม่ได้ว่างอีกละเนี่ยไม่รู้รอจนจะตึงเมื่อไหร่รอจนกระทั่งช่วงสุดท้ายของปัจฉิ ม, มวัยแต่ในแต่ละวัยเนี่ยวัยต้นวัยกลางวัยปลายใช่ไหมก็เรียกว่าปฐ ม, มวัยมัชชิ ม, มวัยแล้วก็ปัจฉิ ม, มวัยเนี่ยก็จะยังแบ่งเป็นช่วงต้นกับช่วงปลาย ช่วงต้นของปฐมวัยคือตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณสัก15ช่วงท้ายของปฐมวัยก็สิบห้าถึงสาแต่ถ้าตอนต้นๆของปัญชมวัยะก็ช่วง 30-40 ิบสแต่ตอนท้ายของมัญชมวัยก็40ไปแล้วถึงหกสิบนั่นช่วงท้ายของปัญชมวัยนั่นก็คือเริ่มแก่งอมแล้วแต่ถึงจะค่อยมาปฏิบัติธรรมนี่แม่มันจะเรียกว่าขาดทุนก็ไม่ใช่หรอกนะท่านผู้ฟังคือหมายความว่า เราปฏิบัตทําตอนไหนไม่มีขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่ามันขาดทุนกําไรแต่คำว่าขาดทุนกําไรหมายความว่าแทนที่เราจะได้กําไรมากแต่เราก็ได้กําไรน้อยลงเพราะว่าการปฏิบัติธรรมดต่หวังมันได้กําไรอยู่ตลอดเวลาแต่เราปฏิบัติเมื่อไรเราทําเมื่อไร่เราได้ทันทีทจิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นอันนี้เป็นกําไรที่เกิดขึ้นในจิตของเราทีนี้ถ้าบอกว่าเรามารอทําเอานิดนิดหน่อยๆตอนสุดท้ายๆตรงนั้นในกําไรที่เกิดขึ้นมันก็ได้น้อย แต่ถ้าเราทําตอนนี้เลยเราไม่ได้ต้องรอถึงจังหวะที่เริ่ดงามยามดีหรือว่าเอาตอนว่างๆขนาดที่เรียกว่าเากษียณแล้วเนี่ยไม่ต้องรอถึงตอนนั้นเนะีเอาตอนนี้เนี่ยเรากำไรเดี่ยวนี้นะีไม่ขาดตุนกำไรกำไรที่ได้ก็เกิดตอนนี้ด้วยแต่ตอนต่อๆไปเราทํากําไรก็มีมาด้วยอย่างนี้พระเาเคยบอกอยู่เป็นประจำตำวงว่าเวลาที่มันมีความคิดไปในทางอากุศลเกิดขึ้นในใจเมื่อไหรเนี่ยสมบัเราถูกด่าว่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ย แมมันจะมันจะคิดอาฆาตเขามันจะคิดปองร้ายเขามันจะคิดมีความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจนั้นเกิดขึ้นมานี่แล้วเราอดทนในการที่จะไม่ให้ใจของเรามีโทสะนี้เกิดขึ้นหรือว่าอดทนในการที่จะไม่แสดงความโกรธความขัดเกงความไม่พอใจให้ปรากฏแต่ความอดทนที่มีตรงนั้นเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมที่เกิดตรงนั้นในกิเลสมันลดลงไปหน่อยหนึ่ง กุศลธรรมคือความอดทนก็เกิดขึ้นมาตรงนี้คือสัมมาวยมายามะจริงๆแต่สัมมาวยมายามะคือคือการทําจริงการแน่วแน่จริงในการการะทําเพื่อที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลทางกายวาจาหรือใจก็ตามในที่นี้คือทางใจกับทางวาจาในการที่จะทำํทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นในทางกายวาจาหรือใจก็ตามในที่นี้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นก็คือความอดทน กุศลธรรมทางวาจาก็คือการที่ไม่พูดจาด่าว่าเขาตัวนี้เป็นบุญเกิดขึ้นทันทีตัวนี้เป็นการภาวนาทันทีตรงนี้เป็นการพัฒนาจิตตรงนี้เป็นการปฏิบัติทันทีแต่คือเราเอาธรรมะมาทําทันทีรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าคุณจะต้องไปอ่านหนังสือแบบเป็นหนาๆนานาอ่านพระไตรปิฎกทุกพระสูตรเอาอัตถคถามาแปลเอามาทําความเข้าใจไม่ต้องขนาดนั้นแต่แค่เราเข้าใจหลักการนิดเดียว คุณสามารถทําได้คุณสามารถปฏิบัติได้แล้วเวลาเราทําเราปฏิบัติเราได้กําไรทันทีหลักการที่ว่านั้นก็คือเข้าใจเรื่องของผันสัตย์เข้าใจเรื่องของเวทนาแต่ว่าคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังตัวประพุชธ้าตัวข้าพเจ้าเองหรือว่าเด็กที่มันยังไม่เกิดมันจะเกิดมาในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าหรือว่าแม้แต่สัตว์นรกเทวดาเปรตอสูรกายสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือแม้แต่สิ่งที่เรามองเห็น อย่างพวกสัตว์เดรัจฉานหรือพวกเชื้อโรคทุกประเภทนั่นแหะแล้วก็จะมีผัสสะก็จะมีเวทนาผัสสะหมายถึงการกระทบหน่วยที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจไอตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ ย, ยเป็นเหมือนกับช่องทางถ้าเรามีช่องทางเหย่องเช่นเรามีช่องทางคือหูเรามีช่องทางคือหูแล้วถ้ามีเสียงมีใจเข้าไปรับรู้นั่นคือถ้ามีหูแต่มีเสียง แต่ถ้าไม่มีใจ LIKE เข้าไปรับรู้เนี่ยมันจะไม่เกิดภาษะแต่ถ้ามีหูมีเสียงมีใจเข้าไปรับรู้เสียงนั้นผ่านทางหูเน uh> ี่ยจะเกิดเป็นภาษะขึ้นอย่างเรารับ mm, รู้ถึงเสียงที่เขาด่าเราได้หรือเสียงที่เขาชมเราได้อันนั้นก็ผ่านทางหูเป็นภาษาทางหูหรือถ้าเราเห็นภาพที่บาดตาบาดใจหรือว่าภาพที่มันน่ารื่นรมอันนี้ก็เห็นผ่านทางตาจีตใจเราเข้าไปรับรู้ภาพนั้น ทางตาเกิดเป็นภาษาขึ้นเรามีภาษาอยู่ตลอดเวลานั่นหมายังตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆรเมื่อกี้ก็มีอีกข้างหน้านี้ก็จะมีมีตลอดเวลาไม่ทางเสียงก็ทางตาแต่ทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจทางใดทางหนึ่งแต่บางคนบอกเอ๊ทางลิ้นจะมีได้ไงก็ไม่ได้กินข้าวแต่ไม่ได้กินข้าวบางคนก็ยังเป็นนึกถึงว่าเมื่อวานกินอะไรเมื่อวานกินอะไรบางคนหมอกไปกินมะนาว โอ้เปรี้ยมากเลยน้ำลายก็ซอกอกมาทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้มีอะไรโดนเล่นเลยด้วยซ้ําอันนั้นก็เป็นภาษาทางใจเกิดขึ้นพอเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ท, ท, ที่ผ่านมาเป็นไปนในทางใจมีภาษาอยู่ต่อเวลาแม้แต่คนที่เข้าสมาธิให้มันลึกขนาดที่เรียกว่าไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วดนั้นก็ยังมีภาษาและเป็นภาษาทางใจเป็นภาษาที่เกิดขึ้นจากสมาธิเป็นภาษาของความนิ่งอันนี้ก็มี เกิดขึ้นในใจเป็นภัษาหารมากระทบอยู่ในใจของเราอันนี้คือเรื่องของผสัสสะที่มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนอนล่ะตอนนอนก็ไม่เว้นแามบวมบางนคนฝันเดี๋ยฝันก็ฝันสิฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตูุเป็นตะแดี๋ยวละเมอออกมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเดินก็ได้แต่คนฝันเนี่ยละเมอเนี่ยเดีหรือถ้าไม่ฝันไม่ละเมอนอนนิ่งๆไม่รู้สึกตัวอะไรบางคนหลับลึกมาก เนืส้กกสกิดก็ไม่รู้สึกแต่พวกนี้ก็ยังมีภัสสะอยู่เป็นภัสสะที่เกิดขึ้นในใจเนื้อคือใจเนี่ยมันไปจดจ่อกับสิ่งนั้นอย่างเดียวเนโดยที่ทําให้ไม่รับรู้สิ่งอื่นเนืมีภัสสะอย่างนั้นอย่างเดียวอันนี้ก็เกิดขึ้นได้มีแน่นอนภัสสะเนื้อะไรก็ตามที่มีภัสสะแต่ก็จะมีความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างก็มีเป็นความรู้สึกที่เป็นทุก ข, ข์บ้างก็มีเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุก ข, ข์ไม่ใช่สุขก็มี ความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาก็ยังมีพอเวลาที่มีเวทนามีผัสสะนา ต, ต่างๆเหล่านี้อยู่ตอลอดเวลาแต่คนเราอ่านหนังสือใคร่ครวญเรื่องราวที่เราอ่านทํางานคิดเรื่องที่จะพูดแต่พวกนี้เป็นภัสสะทางหูทางใจทางตาสลับกันไปสลับกันมาจิตเราก็แวะเวียนไปในผัสสะต่างๆอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่พระเจ้าเปรียบเหมือนกับลิงทั้งหังลิงที่มันเที่ยวไปในป่าใหญ่เนี่ยเราจะดูจากภาพยนตร์ที่เป็นสารคดีลิงเนี่ย ดันไปอยู่ในป่าใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะกระโดดจากกิ่งไม้นี้ไปกิ่งไม้นูน้นบางทีก็โหนตัวห้อยตัวไป่เป็นลักษณะที่โหนจากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งโหนตัวไปเที่ยวไปในป่าเหมือนกันจิตของเรารับรู้เรื่องราวตรงนี้ผ่านภาษะทั้งตาบ้างรับรู้อารมณ์นี้ผ่านภาษะทางหูบ้างเดี๋ยวมาก้าวลงในอารมณ์นี้ผ่านภาษาทางใจบ้างไปเรื่อยๆอยู่อย่างงี้ตลอดเวลา ดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนไม่มีจบวนเวียนไปวนเวียนมาชั่วนาตาปีอยู่อย่างนี้นี่คือลักษณะของสังสา ร, รวัตจำฝั ง, งวนไปก็วนมาวนไปอยู่ในนีน้อยู่ใน6กช่องทางนี้เราถูกขังอยู่จำบั ง, งเราถูกขังอยู่ในหกช่องทางนี้ถูกขังอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกล็อกอยู่ในสังสา ร, รวัตนะขึ้นไปสูงสุดจนถึงพรมบ้าง ก็อยู่6อย่างนี้แหละไม่หนีไปจากนี้ลงไปต่ําสุดจนถึงอเวจีมานนรกบ้างแล้วก็อยู่ในนี้แหละหอย่างนี้แต่ไม่หนีไปจากนี้สุขทุกข์บ้างมันต่างกันสุขทุกข์บ้างก็มีมนุษย์เราสุขก็มีทุกข์ก็มีนะคระับเราปะปนกันไปแต่ถ้าพลูกเป็นเทพพรหมเทวดาก็มีสุขมากกว่ามีทุกข์ถ้าปลูกสัตว์เทระชานันสัตว์นรกแต่ก็มีทุกข์มากกว่ามีสุขวนอยู่อย่างนี้ในหกช่องทางเป็นพรรษเหมือนกันหมด และจะช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายประมะวัยมาชิมวัยหรือปัจฏิมวัยของชีวิตก็มีภาษาเหมือนกันหมดเด็กทารกที่เกิดมาอุแว่อแว่ไม่ต้องพูดถึงตรงไหนกระเดาตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยมันก็มีภาษะที่กําลังจะเข้าลงนอนสมอยูวนเตียง แ, แกลงอมมากแล้ว90ปีร้อยปีหูก็ไม่ค่อยได้ยินก็มีภาษาเหมือนกันเหมือนกันจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็มีภาษาเหมือนกันจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างมีภาษาหมด ถ้าเรามีผัสสะทั้งฝังอย่างนี้คราพเจชาว่ า, ามันปฏิบัติทําได้มันรู้ทําได้ทํากํำไรให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ตรงนี้คือชั่วโมงบินตรงนี้คือชั่วโมงบินนะฟังให้ดีถ้าเรามีผัสสะแล้วเราอาศัยตรงนั้นในการปฏิบัติธรรมทุกเวลาแล้วเราก็มีความแก่กล้าในอินทรีย์ของเราขึ้นจิตใจของเรามีความแก่กล้าขึ้นดีขึ้นคือถ้าเราปลา่อยผัสสะให้มันผ่านไปเนี่ยโดยเราไม่รู้เรื่องอะไรมันมาก็ไปมาก็ไป เราก็ขาดทุนกำไรเราก็ไม่ได้ที่จะเอากำไรจากสิ่งที่มันจะมาหยิบยื่นให้เราได้น่ะหน้ำซ้ำบางคนขาดทุนด้วยซ้ำมีผัสสะม า, าสร้างบาปอากุศลมีผัสสะมาสร้างสิ่งที่เป็นอาธรรมนะจิตใจก็ตกต่ำตกต่ ำ, ตตำมันก็ขาดทุนแต่แทนที่เราจะได้ไปสูงเป็นบุญเป็นกุศลก็เลยไปต่าเป็นบาปเป็นอกุศลอันนี้ไม่ใช่ขาดทุนกำไรนะอันนี้คือขาดทุนจริงๆเลย นนในการที่เรามีผัสสะใดๆมากระทบเราจะทําให้เราขาดทุนโดยการที่สร้างบาปอกุศลไม่ดีแต่คือถ้าเรามีถูกคาดาคําว่าอันนี้มันธรรมดาสุทุกข์มันเกิดมีในโลกมนุษย์แน่นอนแต่ถ้าเราสร้างสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลอย่เช่นมิจฉาวาจามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกบบปราพวกนี้คือคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วเนี่ยแต่มันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเราก็ขาดทุนหรือว่าเราอย่าปล่อยให้ผัสสะนั้น่มันผ่านไปเฉยๆ แตเราก็ไม่ได้กําไรอันนี้ก็เรียกว่าขาดทุนกําไรแต่ถ้าบอกว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลหน่วยการคิดดีพูดดีทําดีจากภาษาทุกอย่างที่มากระทบนั่นแหะเราก็จะ ก, กําไรตรงฝั่งแต่วิธีการที่จะตอบสนองกับภาษาต่างๆที่มากระทบเนี่ยมันมีมาตรฐานของมันอยู่ ล, ละฉะนั้นหมายถ้าเป็นภาษาที่น่าพอใจเนี่ยจะเกิดความสุขอันนี้ทุกคนปรารถนาแน่นอนนั้นเราจะตอบสนองชนิดที่ให้เรามีกําไรในชีวิตเนี่ยเราก็คืออย่าไปลุ่มหลง อย่าไปเกลือกลัวลอย่าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแต่เป็นผู้ที่เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดอันนี้คือข้อที่1นึ่งคือจะมีเรื่องราวอะไรที่มันดีๆเช่นเขาชมเราหรือว่าได้เงินเพิ่มขึ้นขายของได้ทําการงานสําเร็จผลมีคู่ครองหรือว่ามีสิ่งใดๆที่มันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกที่เป็นสุขในชีวิตของเราหรือแม้แต่นั่งสมาธิเราเป็นสุขใจอิม่มเอิบใจอยู่ภายใน แต่พวกนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นทั้งสิน้นเราจะทำผัาสะตรงนี้ให้กลายเป็นกําไรในชีวิตของเราโดยการที่เราไม่ลุ่มหลงในสิ่งนั้นแต่ถ้ามีความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่งเช่นคุณก็ยันคันแข็งนะก็ขายของได้ทําการงานสําเร็จผลได้เป็นกําไรเป็นเงินออกมากําไรที่เป็นเงินเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันจะเป็นกําไรทางใจนะคือถ้ามีกําไรเป็นเงินออกมาแล้ว เราลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมามัวเมาแล้วอันนั้นจะเริ่มขาดทุนละจิตใจของเราจะเริ่มเศร้าหมองติดกับดักติดกับดักอันเป็นเหยื่อของมันแต่ถ้าบอกว่าเราได้กําไรคือเงินทองมาแล้วนะคะขายได้กําไรทํางานได้ผลดีเนี่ยเป็นโคพคาซับออกมาตรงนี้ถ้าจะพูดถึงก็คือว่ามันเป็นผลของกําไรนะที่เราทําใจดีๆมาตั้งแต่ตอนก่อนๆแต่ตอนนี้เราได้สิ่งนี้เป็นความสุขออกมาเราจะทำผัสสะ คือกำไรโควซั์ตรงนี้ที่ออกมาได้เนี่ยนะให้เป็นกําไรทางใจต่อต่อไปได้เนี่ยก็คือการที่เราไม่ลุ่มหลงแตนะ่ไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาในความรู้สึกที่เป็นสุขตรงนั้นเราไม่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นสุขที่ได้มาโดยธรรมถ้าได้มาโดยสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นกุศลได้มาแล้วแต่ก็ไม่ปฏิเสธความสุขนั้นแต่ว่าเห็นโทษนะคอยที่จะมีอุบายในการที่จะนําออกจากความลุ่มหลงความมัวเมา ในความรู้สึกที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเราได้กําไรได้กําไรจากความสุขที่มีหรือในทางตรงกันข้ามต้องระวังถ้าบอว่าเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจย่างเช่นคําด่าคําว่าอากาศร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปแต่ถูกเลือบยุ่งลมแดดกัดหรือว่าตกในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสูญเสียโฟกัสครับคนที่รักเป็นไปอย่างอื่นแต่เจอเรื่องราวที่มันไม่เข้าท่า รถติดบ้างเจออุบัติเหตุบ้างครอบครัวทําไมเป็นอย่างนี้บ้างไหนเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นในที่บ้านที่โรงเรียนระหว่างเดินทางหรือว่าที่ไหนก็นแล้วแต่เถอะวิธีการที่จะสร้างกําไรให้จิตใจเรามีกําไรดีขึ้นสูงขึ้นจากภาษาที่มากระทบซึ่งภาษานี้เป็นลักษณะของภาษาที่เป็นไปเพื่อความทุกข์อย่างเงี้ย เราจะสร้างกำไรให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยทั้งหมดแต่ถ้าบอกว่าเราด่าว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดไม่ดีคิดชั่วคิดไปในทางพยาบาทหรือถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องและคิดว่าชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีแต่ความสุขแต่ความทุกข์ไม่มีแต่ถ้าเข้าใจไปอย่างนั้นพอมีความทุกข์เราก็ยิ่งจะทุกข์มากเป็นเท่าทวีคูณอันนี้คือขาดทุนนะคขาดทุนตรงนี้มันยังต่อเนื่องไปอีกแล้วก็จะคิดอาฆาตพยาบาทไม่พอใจปองร้าย กับคนที่มาทําอย่างนี้กับเราหรือคนที่มาทําอย่างนี้กับสิ่งที่เรารักอันนี้คือขาดทุน2ต่อแต่ถ้าเรายิ่งพูดชั่ว่นะพูดด่ากันพูดเน็บแนมกันพูดโกหกบ้างเพื่อที่จะให้ออกจากตรงนั้นได้แต่ก็ออกไม่ได้ออกได้นิดหน่อยหน่อยแต่ก็ยังกระทําเช่นขโมยลักทรัพยประพฤติผิดในการพวกนี้อันนี้ยิ่งเป็นต่อที่สมต่อที่สและที่ทําให้เรามีความขาดทุนหนักไปข้างหน้าหุ้นตกแล้วไม่รีบขาย แล้วก็ยังเก็บไว้อยู่นั่นน่ะมันก็ยิ่งตกหนักตกหนักขึ้นมาอีกก็ยิ่งขาดทุนมากขาดทุนมากกว่าอีกเหมันต้องตัดตอนกำลังและโดยการละมันเสียหุ้นตกเราจะไปถือไว้ทําไมก็ขายมันซะแต่ของที่มันขาดทุนแล้วซื้อมามันจะมีแต่เน่าเก็บไว้ก็เหม็นก็ทิ้งมันไปซะสิ่งที่เป็นอคุณศนที่มันจะเกิดขึ้นจากภัสสที่ไม่น่าพอใจไม่รู้จะเก็บไว้หาอะไรแล้วก็ทิ้งมันไปละมันไปทำอย่างนี้ทําฟังได้กําไร เพราะว่าเราไม่ขาดทุนจิตใจเราสูงขึ้นแต่ถ้าเราเก็บของเนา่าๆเอาไว้อยู่ในบ้านเก็บไว้อยู่นั่นน่ะมันก็เหม็นแล้วมันก็ไม่ดีถ้าเรามันออกไปความเหม็นก็หายไปถ้าเราเอามันออกไปที่มันขาดทุนมากมันก็จะไม่ขาดทุนแ เ, เวลามีสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นดำฟั ง, งมันไม่น่าพอใจแค่นี้ก็พอแรงบอกแล้วแต่แค่นี้ก็แย่พอแรงแล้วแล้วถ้าเรายังทําสิ่งที่ไม่น่าพอใจเสริมเข้าไปเช่นด่าว่า ในการด่าว่ากันนี้ไม่ดีแน่นอนถูกไหมแต่เราคิดว่าเราด่าว่าแล้วน่าจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นมาได้หรือว่าด่าว่าแล้วน่าจะคลายความไม่พอใจในใจได้มันจะเป็นไปได้อย่างไงท่าฝัูังว่าเขาเอาของเหม็นๆมาเอาของไม่ดีมาเราก็ผลิตของเหม็นๆผลิตของไม่ดีมาเพิ่มเข้าไปเป็นเท่าทวีคูณมันก็ยิ่งจะมีแต่ของที่ไม่ดีเป็นอกุศลเป็นของเหม็นๆเพิ่มขึ้นือถ้าเราทําอย่างนั้นก็ยิ่งจะขาดทุนและไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่จะเป็นไปด้วยดีได้ วิธีการที่ว่าเมื่อมีภาษาที่ไม่น่าพอใจมากระทบแต่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นของที่ขาดทุนของเน่าของไม่ดีของเหม็นเนี่ยเราจะชําระล้างของที่มันไม่ดีของเหม็นของเน่าที่มันเป็นภาษามาจากภายนอกได้เราก็จะต้องตัดมันก่อนเอาของที่มันเน่าของเหม็นออกไปแชาระล้างด้วยของที่ดีของที่สะอาดของที่สโปรกมาก็ล้างด้วยน้ําดีแต่มันก็สะอาดขึ้นมาได้เวลามีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้น แล้เราทําความดีความงามโดยการที่ละสิ่งที่เป็นอกุศลนี่คือนําออกสิ่งที่มันไม่ดีมาของไม่ดีของเหม็นของสกปรกเอาออกไปก่อนนั่นคือละสิ่งที่เป็นอกุศลก่อนแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในใจแต่คือมีความเข้าใจให้ถูกละว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีในในโลกนี้มีแน่นอนแม้เทวดาแต่ที่ว่ามีความสุขมากกว่าแต่ก็ยังมีความทุกข์เกิดขึ้นแฝงมีเป็นธรรมดาแระพรหมก็เป็นอย่างนั้นแพอเราเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้ว ถ้ามีผัสสะที่เป็นเป็นลักษณะที่จะทำใหเกิดความทุกข์มากระทบใจของเราก็อย่าให้มีความอาฆาตแค้นพยาบาทขัดเคืองความโกรธความไม่พอใจแ ต, แต่ให้อดทนไว้อย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอันนี้ก็ดีขึ้นมาได้ทางใจนว่าจชเราก็ไม่ให้เป็นไปในทางที่จะเน็บแนมพูดด่าพูดว่าพูดให้มันสะเทือนกันให้มันขัดหูให้มันขัดใจกันอย่าให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็กำไรทางใจขึ้นมา ล้างใจด้วยวาจาแ ล, ล้างสิ่งที่ไม่ดีด้วยปิยวาจาด้วยวาจาที่ดีทางกายก็เหมือนกัน่ไม่ทําสิ่งที่จะเป็นไปในทางผิดเพี้ยนคนอื่นทางกายแล้วก็ทางวาจาด้วยแต่ถ้าภาษาที่เกิดขึ้นตรงนี้เราก็กําไรแต่เป็นกําไรที่เกิดขึ้นจากภาษาที่จะเป็นไปในทางที่จะไม่เกิดความทุกข์เป็นไปได้มันมีแน่นอนทุกวันด้วยบางคนเจอวันหนึ่งหลายๆรอบและถ้ามันมีภาษาที่มันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข แบบที่มันบอกไม่ได้แล้วว่านี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขฉันก็ไม่สุขทุกข์ฉันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้ามีภาษาในลักษณะนี้มาเราก็สร้างกําไรได้เราไม่ปล่อยผ่านไปเฉยโดยการที่ให้เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่สิ่งใดมีมามันคือจะต้องดับไปสิ่งใดดับไปเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันอ่ามันไม่เที่ยงนี่มันเป็นอนัตตาดิเราเข้าใจตรงนี้ทะมุ่หวังก็เป็นกําไรเกิดขึ้นแต่ในทางตรงข้ามถ้าภาษาเป็นประเภทที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นเนี่ เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะเช่นมาเราฟังดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่งอมันก็ชอบก็ไม่ชอบล่ะแต่ว่าจะเกลียดก็ไม่ใช่ก็เหมือนกับเสียงผ่านไปผ่านมาแต่ถ้าให้มันผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นชั่วโมงบินมันก็ผ่านไปเฉยๆเข้าใจไหมถ้ามันผ่านไปเฉยๆเราก็เสียเวลาไปเฉยๆตรงนั้นอาจจะเห็นสิ่งได้สิ่งหนึ่งขับรถมาก็มีคนข้างถนนเด็กเดินผ่านไปวิ่งไปมาแล้วอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกใดที่เป็นสุข เราจะไม่ได้มีความรู้สึกใดที่เป็นทุกข์เต่อผัสสะเหล่านั้นแต่เราไม่ปล่อยผ่านจเฉยๆทั้งฟังเพราะว่าถ้าเราปล่อยผ่านจเฉยๆมันเสียเวลามันขาดทุนกําไรตรงนี้ขาดทุนกําไรแต่การที่เราจะได้กําไรจากตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้กําไรแต่จะขาดทุนก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกแต่เพราะว่าเราไม่ได้สร้างสิ่งที่มันอกุศลธรรมแต่เราจะสร้างกําไรตรงนั้นได้โดยการเห็นเจ้าผัสสะที่มากระทบที่มันไม่ใช่สุขที่มันไม่ใช่ทุกข์เนี่ยโดยความเป็นกล่องไม่เที่ยง เห็นสิ First, ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็หมายก็ว่าเห็นตามสภาพที่มันเป็นแต่ว่าสิ่งนั้นถึงแม้ที่เราจะไม่ได้สุขกับมันไม่ได้ทุกข์กับมันแต่มันก็เกิดตามเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุเกิดขึ้นมันจึงดำรงอยู่มันจึงมีมาเราจึงเห็นมันแต่ถ้าเหตุของมันดับไปมันก็จะให้ไปเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไม่ทราบแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ดับไปเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เราสร้างเป็นกำไรจากความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นนนททุกกั้้ี่มาารระบจิตเได ทั้งสสถานการณ์ท่ามผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพัฏฐะที่เป็นไปในทางที่จะทําให้เกิดสุขเบทนาเช่นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะผ่านมาท้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตามหรือแม้ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปในอดีตแต่เราไปคิดถึงที่ไรก็ยังมีความสุขนั่นก็เป็นภัฏฐะทางใจนี่คือลักษณะที่ 1. ภึ่งัฏฐะที่จะเป็นไปเพื่อความรู้สึกที่เป็นสุขหรือในกรณีที่สองที่เป็นภัฏฐะที่จะเป็นไปในทางที่จะทาให้เกิดความทุกข์ เป็นทุกขเวทนาเราก็สร้างกําไรได้ทาให้จิตใจเราสูงขึ้นได้ดีขึ้นได้ปฏิบัติทําได้หรือแม้แต่ในภรรษะที่เป็นในลักษณะที่จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขแต่เราก็ทํากําไรให้เกิดขึ้นได้แนะปฏิบัติได้นะเพิ่มชั่วโมงบินได้ทําประสบการณ์ของเราให้มากขึ้นได้ถ้าใครก็ตามที่สามารถที่จะมาระลึกถึงตรงนี้อยู่ได้เรื่อยๆ ในขณะที่เรามีพรรษาเนี่ยไอการระลึกของเขาในขณะที่เขามีพรรษาไม่ว่าตอนนี้เขาจะขับรถอยู่ไอ้การที่เขาระลึกได้ในขณะที่เขามีพรรษาไม่ว่าเขาจะอ่านหนังสืออยู่ไอ้การระลึกได้ของเขาในขณะที่เขามีพรรษาไม่ว่าเขาจะทํากับข้าวอยู่ไอ้การระลึกได้ของเขาในขณะที่เขามีพรรษาตอนที่เขานอนอยู่ไอ้การระลึกได้ของเขาในขณะที่เขามีพรรษาตอนที่เขาพูดคุยอยู่นั่นน่ะนั่นเป็นสติทั้งังเป็นสัมมาสติเป็นความระลึกได้ เป็นสติที่เกิดขึ้นผางทันทีณนะตอนที่เขาทําอะไรอยู่ก็ตามนั่นน่ะมีภาษาตรงนั้นอยู่ตรงนั้นทําอะไรอยู่ตอนนั้นนั่นเป็นสติเกิดขึ้นได้จะนั่งสมาธิก็ได้จะหลับตาลืมตาไม่มีปัญหาจะนอนจะเดินอยู่ในอิริบทใดๆจะอ่านหนังสือจะพูดคุยค่ะใครทำกับข้าหรืออยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นเป็นสติเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรามีการระลึกที่ถูกต้องว่าไม่ว่ามีภาษาใดๆมากระทบเราสร้างสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้เราไม่ขาดทุน พอระลึกได้แล้วทําได้ด้วยทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตได้ไม่บอาผาสสนั้นจะมาเป็นอย่างไรพอระลึกได้แล้วละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะกี่โมงกีง่ยามหรือในขณะที่เราอยู่ใน am, อริยบทใดๆก็ตามอันนั้นก็คือเป็นสมัมมาวามะเป็นลักษณะของความเพียรชอบเป็นลักษณะที่เราทําให้เกิดขึ้นได้ั่เราระลึกได้แล้วเราทําได้ด้วยวระลึกได้ด้วยทําได้ด้วย นี่มันเป็นผลเกิดขึ้นมันเป็นผลเป็นความดีความงา ม, เ ป, รรมเป็นกุศลธรรมเป็นกําไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะาเรามีการทําจริงแน่จริงแต่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านฟังอย่างที่ข้าพเจ้าเคยบอกว่ามันจะทําจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวและมีจิตที่เป็นสมาธิมีใจสบายเกิดขึ้นได้จิตที่สบายในเติมฟังไม่ว่าจะเป็นผลของภรรษะที่ทําให้เกิดความสุขจิตที่สบายไม่ว่าจะเป็นผลของภรรษาที่จะเป็นไปในทางที่ให้เกิดทุกขเวทนา ฟังให้ดีนะฟังให้ดีแต่จิตที่มีความสบายที่เกิดจากผัสสะที่จะเป็นไปในทางที่จะไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขความสบายใจความเบาใจที่เกิดขึ้นจากผัสสะที่เป็น แ, น, แนวโน้มที่จะไม่เกิดทุกขเวทนาและมีความเบาใจมีความสบายใจมีความเป็นอิสระเกิดขึ้นได้หรือจิตที่มีความสบายแต่ที่เป็นผลของผัสสะที่จะเป็นไปในความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุ ข, สขอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ จิตที่สบายอยู่ข้างในนี่แหละทจำฝังแต่ที่ไม่ว่าภัสสะจะเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขมากระทบมีสุขเวทนาทุกข์เวทนาหรืออทุกขามาสุขเวทนาเกิดขึ้นจิตที่สบายอยู่ข้างในในจำฝังนั่นคือตัวเรานะนั่นคือตัวเรานั่นคือจิตของเราจริงๆ จ, จิตประพัดสอนจิตเดิมแต่นะจิตที่ว่ามันเป็นอิสระจากภัสสะเครื่องกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์หรือไม่ใช่สุขเราพยายามที่จะเห็นจิตนั้นได้ แต่มันอยู่ข้างในเรานี่แหละสักจุดใดจุดหนึ่งหาให้เจอผ่านทางภาษานี่แหละสุขทุกข์ไม่ทุกขไม่สุขผ่านมาแล้วเราสามารถหาตรงนี้ได้โดยการที่เราตั้งเสตียไว้ตทำจริงแน่แน่จริงคอยรูึกถึงสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะทํากําไรให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขับชาวพรามาภัยบุญอภิบุญโญจากวัดป่าดานอนนายศกนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญปาน